แม้แต่เมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่เริ่มเจริญได้ตั้งแต่ระยะต้นๆของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นข้อธรรมที่ง่ายนักอย่างที่มักเข้าใจกันอย่างผิวเผินเพราะเมตตาอย่างที่พูดถึงกันง่ายๆทั่วๆไปนั้นหายากนักที่จะเป็นเมตตาแท้จริงดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันความเข้าใจผิดที่เป็นผลเสียหายแก่ธรรมะในขั้นต้นนี้ ควรทราบหลักเบื้องต้นบางอย่างไว้เล็กน้อยก่อนเมตตาหมายถึงไมตรีความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อ ก, กันความใฝ่ใจหรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาเป็นธรรมะกลาง กลางท่านในแง่ผู้ควรมีเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตาจึงควรมีทั้งผู้น้อยต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยคนจนต่อคนมีและคนมีต่อคนจนยาจกต่อเศรษฐีและเศรษฐีต่อยาจกคนฐานะต่ำต่อคนฐานะสูงและคนฐานะสูงต่อคนฐานะต่ำขรือหัดต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่อครืหัด เป็นธรรมะพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจรจาเหตุผลของกันและกันไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวหรือความเกลียดชังเป็นที่ตั้งการที่กล่าวว่าเมตตาซึ่งรวมทั้งโรมิหานข้ออื่นๆด้วยเป็นธรรมะของผู้ใหญ่นั้น อันที่จริงความเดิมเป็นธรรมะของท่านผู้เป็นใหญ่คือแปลคำว่าพรหมในพรหมวิหารว่าท่านผู้เป็นใหญ่พรหมหรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐคือผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงามม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างที่เข้าใจกันสามัญทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ในเมื่อปัจจุบันเข้าใจกันแพร่หลายทั่วไปเสียแล้วว่าพรมิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ก็ควรทำความเข้าใจในแง่ที่ว่าความหมายเช่นนั้นมุ่งเอาความรับผิดชอบเป็นสำคัญคือเน้นว่าในเมื่อทุกคนควรบาเพ็ญพรมิหารผู้ใหญ่ ในฐานะที่เป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนถ้าไม่รีบทำความเข้าใจกันอย่างนี้ปล่อยให้ยึดถือปักใจกันว่าเมตาก็ดีปรมิหารข้ออื่นๆก็ดีเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นความเข้าใจที่เควผิดพลาดการตีความและทัศนคติของคนทั่วไปต่อธรรมะข้อนี้จะผิดพลาดไปหมด ข้อควรสังเกตสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเมตตาก็คือสมบัติและวิบัติของเมตตาสมบัติได้แก่ความสมบูรณ์หรือผลสําเร็จที่ต้องการของเมตตาวิบัติได้แก่ความล้มเหลวความไม่สําเร็จการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดเมื่อว่าตามหลักสมบัติของเมตตาคือระ ง, งับพยาบาทได้ วิบัติของเมตตาคือการเกิดสินเนหะในแง่สมบัติไม่มีข้อสังเกตพิเศษแต่ในแง่วิบัติมีเรื่องที่ต้องสังเกตอย่างสาคัญสินเนหะหมายถึงสเสนหา—ความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานส่วนตัวเช่นปุตรตัสสินเนหะความรักอย่างบุตรภริยาสินเนหะ ความรักใคร่ฐานภรรยาเป็นต้นสิเนหะคือสเสนหาเป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงทําให้ช่วยเหลือกันในทางที่ผิดได้อย่างที่เรียกว่าเกิดฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักใคร่ที่ได้ยินพูดกันว่าท่านเมตตาฉันเป็นพิเศษนายเมตตาเขามากเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของสิเนหะซึ่งเป็นความวิบัติของเมตตามากกว่า หาใช่เมตตาไม่ส่วนเมตตาที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมะที่เอื้อต่อการรักษาความเที่ยงธรรมเพราะเป็นธรรมะกลางกลางถ้าไม่มีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวที่จะเอน็นเอียงเข้าหาปราศจากความเกลียดชังคิดร้ายมีเมตตรีปรารถนาดีต่อคนทุกคนสม่ำเสมอกันจึงช่วยให้พิจารณาตาัดสินและกระทาการต่างๆไปตามเหตุผล โดยมุ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่คนทั้งหลายมีชัยมุ่งสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากได้อยากเป็นเมตตาที่แท้จริงจะเป็นไปในแบบที่ว่าตามบาลีดังนี้พระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกันทั้งต่อนานขมังธนูที่รับจ้างมาลอบสังหารพระองค์ต่อเทวทัตต่อโจรองคุลีมานต่อช้างธนาบาน ที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์และต่อพระราหุนทั่วทุกคนประโยชน์ของเมตตาจะเห็นได้เช่นในกรณีของการถกเถียงการแย้งทางเหตุผลและการตอบโต้ทำให้ต่างฝ่ายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกันช่วยให้คู่โตบรรลุถึงเหตุผลที่ถูกต้องได้ ดังเช่นเมื่อนิครนผู้หนึ่งมาเฝ้าสนทนาใช้คำพูดรุนแรงําหนีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนทนาโต้ตอบตามเหตุผลจนในที่สุดนิครนนั้นกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมผู้เจริญเป็นความจริงท่านพระโคโดมเป็นผู้อบรมแล้วทั้งกายอบรมแล้วทั้งจิตน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยท่านพระโคโดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทก แต่งคามาไล่เลียงต้อนเอาถึงอย่างนี้ก็ยังมีผิวพันธ์สดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้สมเป็นอาการของพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าในกรณีที่มิจฉาสังกับป่าเกิดขึ้นเมื่อจะแก้ไขโดยวิธีการแห่งปัญญาก็ต้องไม่ใช้วิธีดึงดันหรือมัวฟุ้งซ่านกลัดกลุ้มแต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการ คิดสืบสาวเหตุปัจจัยและพิจารณาให้เห็นคุณโทษของมันเช่นพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนสำโพธิการเมื่อเราเป็นโพธิสัตย์ยังมิได้ดรัสรู้ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่าถ้าใไรเราพึงแยกความดำมริออกเป็นสองฝ่ายดังนี้แล้วจึงได้แยกกามวิตกพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตกออกเป็นฝ่ายหนึ่งและแยกเนคขามาวิตกอภยบาตวิตกและอวิหิงสาวิตกออกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียนมุ่งมันอยู่นั่นเองเกิดมีกามวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดว่าเราเกิดกามวิตกขึ้นแล้วก็แหละกามวิตกนี้ยอมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างทําให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดี ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียเบียนตนเองละผู้อื่นทั้งสองฝ่ายก็ดีว่ามันทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเราจึงละจึงบรรเทากามวิตกที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทาให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ประมาทเกิดมีพยาบาทวิตกขึ้น เกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดจึงละจึงบรรเทาพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงความดาริใดมากๆใจของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดมรินั้นๆถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงกามาวิตกมาก เธอก็ละทิง้งเนคขมะวิตกเสียทำแต่กามาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางกามวิตกละจนถึงถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำหนึ่งถึงเนคขมะวิตกมากเธอก็ละทิ้งกามวิตกเสียทำแต่เนคขมะวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางเนคขมะวิตก การปฏิบัติธรรมช่วงแรกตามองคมรคสองข้อต้นนี้สรุปได้ด้วยพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันไม่ผิดพลาดและเป็นอันได้เริ่มก่อต้นกำเนิดของความสิ้นอาสวะแล้วธรรมะสี่อย่างนั้นคือเนฆามะวิตกอภยบาสวิตกอวิหิงสาวิตก สัมมาทิฏฐิ